พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยี่สบเอ็ดชื่ออังคุตระนิกายจัตุกกรนิบาตเป็นสุตตันตปิฎกพระไตรยปิฎกเล่มนี้ตลอดเล่มว่าด้วยธรรมะจำนวนสีพิจารณาดูจากหมวดใหญ่ที่แบ่งแยกออกเป็นส่วนๆแล้วพอประมาณได้ว่ามีพระสูตรราวสามร้อยสูตรกล่าวคือในเล่มนี้แบ่งออกเป็นหมวดห้าสิบ หรือปัญ น, นาตสี่หมวดหมวดนอกห้าสิบคือขนาดยาวมีเจ็ดวร์ประมาณเจ็ดสิบสูตรหนึ่งหมวดหมวดนอกห้าสิบขนาดสั้นหนึ่งหมวดคําว่านอกห้าสิบคือไม่สงเคราะห์เข้าในหมวดห้าสิบในวงเล็บปัรณาสกาสังคะอิตตะปฐมปัรณาสกะหรือปฐมปัญ น, นาต หมวดห้าบที่หนึ่งในหมวดนี้มีห้าวักวักละประมาณสิบสูตรคือหนึ่งพันธคามาวักว่าด้วยเหตุการณ์ในพันธคามหรือหมู่บ้านชื่อพันทพวัคที่สองเจรวักว่าด้วยอิริยาบถเดินวัคที่สามอุรุเวลาวรคว่าด้วยเหตุการณ์ในตำบลอุรุเวลา วักที่สี่จัดกวัวร์ว่าด้วยล้อรถล้อธรรมะวักที่ห้าโรหิตัสสวัตว่าด้วยโรหิตัสสเท พ, พบุตรวัคที่หนึ่งพันธคามวักว่าด้วยเหตุการณ์ในพันธคามหรือหมู่บ้านชื่อพันธะรัตว่า ที่เราและท่านทั้งหลายเวียนไห้ท่องเที่ยวอยู่ตลอดกาลนานก็เพราะไม่ตรัสรู้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์หรือความหลุดพ้นอันเป็นอริยะแต่เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ถอนตัณหาเสได้ไม่มีการเกิดอีกตรัสว่าถ้าไม่ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างข้างต้นชื่อว่าตกจากพระธรรมวินัยนี้ ต่อประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างนั้นจึงชื่อว่าไม่ตกจากพระธรรมวินัยนี้ตรัสว่าคนพาลประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างชื่อว่าบริหารตนให้ถูกขุดมีโทษกวนติเตียนประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากคือไม่พิจารณาสอบสวนหนึ่งชมผู้ที่ควรติ 2. ติ ผู้ที่กวรชม 3. แสดงความเลื่อมใสในฐานะที่ไม่ควรเลื่อมใส 4. แสดงความไม่เลื่อมใสในฐานะที่กวรเลื่อมใสส่วนบัณฑิตตรงกันข้ามทรงแสดงว่าคนผ่านปฏิบัติผิดในบุคคลสีประเภทคือมารดาบิดาประตถาคต สาวกของพระตาคตส่วนบัณฑิตตรงกันข้ามทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งผู้ไปตามกระแสได้แก่ผู้เสพกามทำบาป 2. ผู้ทวนกระแสได้แก่ผู้ไม่เสพกามไม่ทำบาปแต่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความทุกข์ธมนัดร้องไห้ 3. ผู้มีตนตั้งอยู่ได้ในวงเล็บลอยน้ำได้แก่พระอนาคามี 4. ผคู่ข้ามฝั่งได้ยืนอยู่บนบกได้แก่พระอรหันต์ทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือหนึ่งผู้สะดับน้อยทั้งไม่เข้าถึงด้วยการสะดับได้แก่ผู้สะดับน้อย ทั้งไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสผู้สดับน้อยแต่เข้าถึงด้วยการสะดับได้แก่ผู้สะดับน้อยแต่ปฏิบัติธรรมสมควรแกระะ่ธรรมสามผู้สะดับมากแต่ไม่เข้าถึงด้วยการสะดับได้แก่ผู้สะดับมากแต่ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสี่ ผู้สดับมากทั้งเข้าถึงด้วยการสดับได้แก่ผู้สดับมากทั้งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมทรงแสดงคนฉลาดที่ได้รับการแนะนําเป็นผู้กล้าหานสดับฟังมากทรงธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าทำหมู่ให้งามสี่ประเภทคือภิกษุภิกษุณี อุบาสกอุบาสิ ก, กาทรงแสดงความเป็นผู้กล้ากล้าสี่อย่างของพระตถาคตที่ทรงบรรลือสีหนาฏหมุนล้อธรรมอันประเสริฐคือหนึ่งทรงปฏิญญาว่าตรัสรู้แล้วไม่มีใครคัดค้านได้ว่าไม่ได้ตรัสรู้ 2. ทรงปฏิญญาว่าสิ้นอาสวะแล้วไม่มีใครคัดค้านได้ว่ายัางไม่สิ้นอาสวะ 3. ตรัสว่าธรรมะเหล่าใดเป็นอันตรายไม่มีใครคัดค้านได้ว่าธรรมะเหล่านั้นไม่ควรเป็นอันตรายแก่ผู้เสพ 4. ตรัสแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดไม่มีใครคัดค้านได้ว่าธรรมะนั้นไม่นำผู้ทำตามให้สิ้นทุกโดยชอบได้จริง ทรงแสดงความเกิดแห่งตันหาสี่ประการคือตันหาเกิดเพราะเหตุแห่งเครื่องนุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยความเป็นหรือความไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนนี้อัตถกาถาแก้ว่าเพราะเหตุแห่งสิ่งที่ประณีตและสิ่งที่ประณีตขึ้นไปกว่าทรงแสดงเครื่องประกอบสัตว์ คือผูกมัดสัตว์ไว้ในภพสี่ประการคือกามความใครและสิ่งที่น่าใคร่ภพความมีความเป็นทิฏฐิความเห็นอวิชชาความไม่รู้อายตนะหกตามเป็นจริงและทรงแสดงธรรมอีกสี่อย่างที่ตรงกันข้ามชื่อวิสังโยคะคือเครื่องคลายมัด สำหรับข้อความตรงส่วนนี้ในส่วนของคำว่าอาวิชชานับเป็นหลักฐานที่อธิบายอาวิชชาต่างออกไปจากที่อื่นซึ่งโดยมากแก่ว่าอาวิชชาคือไม่รู้อริยสัจ ส, สตามเป็นจริงแต่ตรงนี้ให้คำอธิบายไว้ว่าความไม่รู้อายตนะหกตามเป็นจริงวัคที่สองเจะระวัค ว่าด้วยอิริยาบถเดินตรัสว่าเมื่อภิกษุเดินยืนนั่งนอนถ้าความตรึกในกามในการพยาบาทในการเบียดเบียนเกิดขึ้นเธอรับไว้ไม่ลาซ ะ, ะเธอก็ชื่อว่าไม่มีความเพียรเป็นผู้เกียจคร้านแต่ถ้าไม่รับไว้ละซะเธอก็จะชื่อว่ามีความเพียร ไม่เกียจคร้านทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายให้มีศีลสมบูรณ์มีปาฏิโมกข์สมบูรณ์ให้สํารวมด้วยดีในพระปาฏิโมกข์พระปาฏิโมกข์คือศีลอันเป็นใหญ่เป็นประธานของภิกษุที่สวดทุกกึ่งเดือนให้สมบูรณ์ด้วยมารยาทและโคจรคือการรู้จักไปในที่ควร ให้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแล้วแสดงอิริยาบถสีที่มีนิวรณห้าเกิดขึ้นถ้าไม่ละนิวรณก็ชื่อว่าเกียรติครานถ้าละก็ชื่อว่าไม่เกียดครานดังข้างต้นทรงแสดงการตั้งความเพียรชอบหรือสมมับประธาน และการตั้งความเอียนคือประธานอย่างละสี่ประการคือเพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียนทําความดีให้เกิดขึ้นเพียนรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแต่ในภาคอธิบายของประธานส่งอธิบายว่าหนึ่งได้แก่การสารวมอินทรีย์หก คือตาหูเป็นต้น 2. ได้แก่การละอกุศลวิตก 3. ได้แก่การเจริญโพชงเจ็ดมีสติเป็นต้น 4. ได้แก่การรักษาสมาธินิมิตรหรือเครื่องหมายในใจคิดทำให้เกิดสมาธิมีความกำหนดหมายในกระดูกหรืออธิกะสัญญาเป็นต้น ทรงแสดงการบัญญัติสิ่งที่เลิศ4ี่ประการคือ 1. บรรดาผู้มีอั ต, ตภาพอสุรินทราหูเป็นเลิศ 2. บรรดาผู้บริโภคกรรมพระเจ้ามันทาตุราชเป็นเลิศ 3. บรรดาผู้มีความเป็นใหญ่พยามาณเป็นเลิศสี่ รัตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งมารทั้งพรหมทรงแสดงถึงญาณที่รู้ลักษณะอันสุขขุมคือละเอียดอ่อนสี่ประการคือความสุขขุมแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งภิกษุผู้มีสิ่งเหล่านี้แล้ว ย่อมไม่เห็นสิ่งอื่นยิ่งกว่าราณีกว่าไม่ปรารถนาสิ่งอื่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารอันสุ ข, ขุมที่ยิ่งกว่าราณีกว่าทรงแสดงเรื่องอัคติมานะคือการลุกอำนาจแก่ความลำเอียงสีคือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัว แล้วทรงแสดงในทางตรงกันข้ามคือการไม่ลุกอำนาจแก่ความลำเอียงสี่ทรงแสดงถึงภิกษุผู้แจกอาหารหรือพันตุทะเทศกัปผู้ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เพราะตั้งอยู่ในความลำเอียงหรือไม่ตั้งอยู่ในความลำเอียงทั้งสี่นี้วักที่สาม อุรุเวลาวักว่าด้วยเหตุการณ์ในตำบลอุรุเวลาทรงแสดงว่าทรงพิจารณาแล้วไม่เห็นใครยิ่งกว่าพระองค์โดยกองศีลสมาธิปัญญาวีมุตจึงทรงตกลงเคารพธรรมะที่ทรงตรัสรู้ทันใดนั้นเท้าสหบดีพรมก็มากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคต และพระองค์เองในปัจจุบันก็เคารพธรรมะทั้งสิ้นตรัส บ, บอกภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าส่งเคารพธรรมะแล้วเมื่อสงถึงความเป็นใหญ่ก็ส่งเคารพในสงด้วยสำหรับข้อนี้อัรฐกถาแก่ว่าความเป็นใหญ่มีสี่อย่างคือเป็นใหญ่โดยรู้ราตรีนานคือเก่าแก่สองเป็นใหญ่โดยภัยบูน 3. เป็นใหญ่โดยโภมจรรันทร์สเป็นใหญ่โดยเลิศด้วยลาบทรงเล่าเรื่องพรามผู้เท่าสูงอายุหลายคนผู้พากันกล่าวหาพระองค์เมื่อตรัสรู้ใหม่ๆณนะริมฝั่งน้ำเนรัญชราว่าไม่กราบไหว้ต้อนรับพรามผู้เท่าผู้สูงอายุพระองค์ทรงดาริว่าแม้จะเจริญโดยชาติมีอายุสูง ถ้าไม่มีคุณธรรมก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเทระที่เป็นพานต่อมีคุณธรรมแม้จะอยู่ในปฐมวัยก็นับได้ว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเทระผู้เป็นบัณฑิตแล้วทรงแสดงธรรมที่ทำให้เป็นผู้ใหญ่สี่ประเภทคือหนึ่งมีศีล 2. สองสระดบรับปังมากสาม ได้ฌานตามปรารถนาโดยง่ายสบรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะทรงแสดงว่าพระตถาคตตรัสรู้โลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกและแสดงคุณธรรมของพระตถาคต ทรงแสดงว่าพระตถาคตเป็นผู้คงที่ในสิ่งที่เห็นได้ฟังได้ทราบได้รู้ได้คําว่าทราบได้หมายความถึงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องสัมผัสส่วนรู้ได้หมายถึงรู้ได้ด้วยใจทรงแสดงว่าทรงประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อเรียกร้องคนให้มานับถือ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ลาบสักการะและชื่อเสียงแต่ทรงประพฤติรมจ a j ย์เพื่อสํารวมเพื่อละกิเลสเพื่อคลายกำหนัดยินดีเพื่อดับทุกข์ทรงแสดงว่าภิกษุผู้พูดปดกระด้างพูดพลามมีกิเลสหลายทางเหมือนทางสี่แพร่งถือตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นชื่อว่าไม่นับถือพระองค์ เป็นผู้ห่างจากพระธรรมวินัยนี้ไม่เจริญงอกงามในพระธรรมวินัยนี้ทรงแสดงถึงของน้อยที่หาได้ง่ายและไม่มีโทษคือหนึ่งผ้าบางสุกุลผ้าเปื่อนฝุน่นคือเศษผ้าที่เขาทิ้งในที่ต่างๆ 2. สองอาหารที่เดินหาด้วยลำแข้งหรือบินทบาดสา ที่นอนที่นั่งหรือโคนไม้ 4. ยาดองด้วยน้ํามูดเนา่าทรงแสดงวงของพระอริยะที่เป็นของเก่าไม่เป็นที่รังเกียจในสมการคือ1สันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้ 2. ส, สันโดษ ด, ด้วยบินทบาดตามมีตามได้ส สันโดษด้วยเสยนาสนะตามมีตามได้ไม่ทำการสแสวงหาอันไม่สมควรเพราะสิ่งทั้งสามนั้นไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนได้ก็ไม่ติดไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษทั้งสามข้อนั้น 4. ยินดีในการเจริญกุศลธรรมในการละอกุศลธรรมเธอก็จะครอบงำความไม่ยินดีเสียได้ ทรงแสดงบทธรรมะสี่ประการคือความไม่โลภความไม่พยาบาทความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบว่าเป็นของเกา่าไม่มีใครรังเกียจทั้งสามการทรงแสดงธรรมแก่ปริพาชกที่มีชื่อเสียงหลายคนณฝันะ่งแม่น้ำสัปปิณีถึงบทแห่งธรรมะสีดังกล่าวแล้วเป็นต่มีคําอธิบายละเอียดมากขึ้น โดยทานองว่าถ้าใครขัดคานก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโลภคนพยาบาทคนหลงลืมสติคนมีจิตไม่ตั้งมัน่นวักคที่สี่จักรวักว่าด้วยล้อรถล้อธรรมะทรงแสดงจักรสี่คือธรรมะ เปรียบเหมือนล้อรถคือ 1. การอยู่ในสถานที่อันสมควร 2. การพึ่งหรือคบสัตว์บุรุษคือคนดี 3. การตั้งตนไว้ชอบ 4. ความเป็นผู้มีบุญอันทำไว้ในการก่อนทรงสแสดงสังหาวัตถุสีเรื่องของการสงเคราะห์คือหนึ่ง การให้ 2. การเจรจาอ่อนหวาน 3. การบำเพ็ญประโยชน์ 4. การวางตนสม่ำเสมอหรือเหมาะสมทรงแสดงว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้รู้จักกายของตนคือสักกายะความเกิดแห่งกายของตนความดับแห่งกายของตน ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกายของตนเหมือนราชสีบรรลือสีหานาสทรงแสดงความเลื่อมใสสี่ประการคือหนึ่งพระตถาคตเป็นเลิศแห่งสัตว์ทั้งหลายสองอริยมรรคมีองค์แปดเป็นเลิศแห่งธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งสามวิราคาธรรม ทำในที่นี้คือธรรมะนะครับความคลายกําหนัดยินดีอันได้แก่นิพพานเป็นเลิศแห่งธรรมะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสพระอริยสงฆ์สี่คู่8ปบุคคลเป็นเลิศแห่งหมู่ทั้งหลายผู้ใดเลื่อมใสในสี่อย่างนี้ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศอันจะมีผลเลิศ วัศการพราหมณ์กราบทูลแสดงความคิดเห็นเรื่องมหาบุรุษผู้มีปัญญามากกว่าได้แก่ผู้สดับตรับปังมากผู้รู้เนื้อความของภาศิทธิผู้มีสติทรงจำดีผู้ขยันในการงานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาบุรุษผู้มีปัญญามากคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอันมาก ทำชนหมู่ใหญ่ให้ตั้งอยู่ในธรรมะที่ถูกอันเป็นกุศลเป็นผู้มีความชำนาญในเรื่องของการตรึกคือคิดหรือไม่คิดเรื่องใดๆได้ตามปรารถนาได้ฌานสี่ตามต้องการทำให้แจ้งเจโตวิมุตติอันไม่มีอสวะคือเป็นพระอระหรันต์นพรามเห็นพระผู้มีพระภาค ประทับนักโรงไม้ต้นหนึ่งนาเลื่อมใสจึงเข้าไปเป้าทูลถามว่าพระองค์เป็นเทพหรือคนทัรหรือเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์ทีละข้อพระองค์ปฏิเสธทุกข้อและทรงอธิบายว่าถ้าอย่างละอาสวะไม่ได้ก็จะเป็นตามที่ถามนั้นพระองค์ละอาสวะได้เด็ดขาดแล้วจึงเป็นพุทธเปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้าโผล่พ้นน้า ไม่เปียกน้ำทรงแสดงว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่อย่างไม่ควรจะเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานคือหนึ่งมีศีลสองสำรวมอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นสรู้ประมาณในอาหารสประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่น หมายถึงไม่เห็นแกนอนทรงแสดงว่าภิกษุผู้รับความยึดถือว่าเป็นจริงในเรื่องเฉพาะเรื่องเช่นไม่เห็นว่าโลกเที่ยงชื่อว่าเป็นผู้มีการสแสวงหาอันประเสริฐไม่บกพร่องมีกายสังขารอันสงบระงับได้ฌานที่สี่ลมหายใจซึ่งมีกายสังขารเครื่องปรุงกายดับ เป็นผู้หลิกเร้นแล้วคือละอิสมิมานะความถือตัวได้ตรัสตอบอุทยรรามผู้กล่าวว่าพระสมณโคดมไม่ทรงสรนเสริญยันโดยทรงชี้แจงว่าพระองค์ไม่ได้สรนเสริญยันทุกชนิดแต่ก็ไม่ได้ติยันทุกชนิดคือไม่สรนเสริญยันที่มีการฆ่าสัตว์เพราะพระอรหันต หรือผู้บรรลุอรหัตตมัตยย่อมไม่เข้าไปสู่ยันเช่นนั้นแต่สันเสริญยันที่ไม่มีการฆ่าสัตว์เช่นนิจจทานคือทานที่ให้เป็นประจำอนุกุลยันยันที่เป็นไปตามลำดับสกุลคือการให้ทานตามจารีตของสกุลสืบสืบมาเพราะพระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตตมัตยย่อมเข้าไปสู่ยันเช่นนั้น ตรัสตอบอุทายิพรามในทํานองเดียวกับอุชยพรามเป็นแต่นิคมคาถาคือบทกวีสรุปข้อธรรมะท้ายสูตรต่างกันวรรคที่หโรหิตตัสวร์ว่าด้วยโรหิตตัสเท พ, พบุตรตรัสแสดงการเจริญสมาธิ หรือสมาธิภาวนาสี่อย่างหการเจริญสมาธิที่เป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันได้แก่เจริญฌานสี่ 2. การเจริญสมาธิที่เป็นไปเพื่อยาทัศนะคือการเห็นด้วยยานได้แก่การใส่ใจในความกำหนดหมายแสงสว่างตั้งความกำหนดหมายว่าเป็นกลางวันคืออบรมจิตให้มีแสงสว่างด้วยจิตสงัดไม่ถูกรึงรัด ว่าเหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืน 3. การเจริญสมาธิที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้แก่รู้แจ้งเวทนาสัญญาวิตกหรือความตรึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป 4. การเจริญสมาธิที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะได้แก่เห็นความเกิดขึ้นดับไปแห่งขันห้า ทรงแสดงการตอบปัญหาสี่อย่างคือปัญหาที่ควรตอบโดยหนึ่งแง่เดียว 2. แยกตอบคือตอบตามเหตุผล 3. ย้อนถาม 4. หยุดไว้คือไม่ตอบทรงแสดงบุคคลสี่ประเภทคือผู้หนักในความโกรธในการลบหลู่บุญกุลท่านในลาบในสักการะไม่หนักในสัตรรม ส่วนฝ่ายดีอีกสี่ประเภทคือผู้หนักในสัตว์ธรรมไม่หนักในสีข้อฝ่ายชั่วนั้นทรงแสดงอสัตรธรรมสีคือความเป็นผู้หนักในความโกรธเป็นต้นดังกล่าวแล้วและทรงแสดงสัต์ธรรมสี่ในทางตรงกันข้ามโรหิตตัดสัตเทพบุตรกราบทูลถามว่า ในที่ใดไม่มีผู้เกิดแก่ตายเคลื่อนหรือจุดติดเข้าถึงหรืออุบัติอาจหรือไม่ที่จะรู้ใจเห็นจะบรรลุที่สุดแห่งโลกนั้นด้วยการไปตรัสตอบว่าไม่อาจโรหิตตัดสะเทพบุตรกราบทูลแสดงความอัศจรรย์ใจและเล่าความว่าในสมัยหนึ่งตนเคยเป็นฤาษีชื่อโรหิตตัดสะ มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้รวดเร็วขนาดก้าเดียวข้ามมหาสมุทรตลอดเวลาร้อยปียังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกก็ถึงแก่กรรมเส้นในระหว่างสำหรับคําว่าที่สุดแห่งโลกตรงนี้อธิกถาแก้ว่าจักรวาลโลกโลกคือจักรวาลอันเวงว่างไม่มีที่สิ้นสุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า พระองค์ไม่ตรัสว่าที่สุดแห่งโลกที่ไม่มีผู้เกิดแก่ตายเคลื่อนเข้าถึงที่พึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุด้วยการไปจะมีได้และไม่ตรัสว่าบุคคลไม่บรรลุที่สุดแห่งโลกแล้วจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้คือทำที่สุดทุกข์ก็แต่ว่าพระองค์ทรงบัญญัติโลกเหตุเกิดแห่งโลกความดับโลก ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโรคในร่างกายนี้แหละอันนี้ประมาณวาหนึ่งมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้มีใจครองครั้นวันรุ่งขึ้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเล่าให้ภิกษุทั้งหลายทราบถึงการโต้ตอบนั้นสำหรับพระสูตรนี้ให้ข้อคิดที่สำคัญยิ่งหลายประการเช่นแสดงว่า แม้มีฤทธิ์มากห อ, อกไปได้ไวก็ไม่สามารถค้นหาที่สุดแห่งโล ก, กจักรวาลได้เทียบทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่ว่าแสงซึ่งเดินทางวินาทีละ 186,272 หมายไมล์แสงของดาวบางดวงต้องใช้เวลาเดินทางถึง650ปีจึงมาถึงโลกเราหลักวิชาดังกล่าวจึงรับรองพาสิทธิ์ของโรหิตตัสเทพบุตร แต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงโลกอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสังขารโลกโดยชี้มาที่ร่างกายมนุษย์นี้เองว่าถ้ารู้แล้วก็ทำทุกข์ให้สิ้นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถึงสิ่งที่ไกลกันยิ่งสี่อย่างคือท้องฟ้ากับแผ่นดินฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของมหาสมุทร ทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและอัสดงธรรมะของคนดีกับคนชั่วตรัสชมเชยพระวิสาขาปัญจลิบุตรผู้แสดงธรรมในโรงฉันด้วยถ้อยคําอันสมบูรณ์สละสลวยไม่มีโทษเข้าใจง่ายเนื่องด้วยความไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่อาศัยความเวียนว่ายตายเกิดทรงแสดงความวิปลาส คือความผิดพลาดความคลาดเคลื่อนสี่อย่างความวิปลาดคือสัญญาวิปลาดจิตตาวิปลาดทิฏฐิวิปลาดทรงแสดงความวิปลาดไว้ดังนี้หนึ่งในสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. ในทุกว่าสุข 3. ในสิ่งไม่ใช่ตนว่าตนส่ในสิ่งไม่งามว่างาม ตรัสแสดงเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณสี่อย่างคือหนึ่งดื่มสุราเมรยัย 2. เศพเมตุนธรรมในวงเล็บธรรมะของคนคู่ 3. ยินดีรับทองเงินไม่เว้นจากการรับทองเงิน 4. เลี้ยงชีวิตด้วยมิจฉาชีพเปรียบเหมือนหมอกอิมะทุลีกันหรืออาสุรินทราหู ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งพระจันทร์พระอาทิตย์ฉะนั้น